พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรหมสมบัติสอนนิพพานสมบัติเป็นลําดับไปแล้วมีต้อนรับทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งพรหมสมบัติทั้งนิพพานสมบัติ ขอให้มีความเห็นถูกต้องสอนธรรมารทิฏฐิให้เห็นชอบให้ให้เห็นอันนิสงของศีนสมาธิปัญญาที่คำสอนของพระองค์สอนเบื้องต้นสอนให้เรื่อมใสพระพุทธศาสนา ใครจะไม่เลื่อมใสก็ไม่บังคับแต่ให้สอนเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเหตุนั่นจึงนึกถึงนโมนโมแปลว่าน้อมน้อมน้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบุญที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเพราะมีศรัทธาความเชื่อ ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นพระพูดธพระธรรมพระสงค์สอนให้เดินหน้าไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นลำดับไปสอนเป็นขั้นตอนแต่ว่าผู้สร้างบรัรลมีแก่กล้ามาแล้วเขาก็ไปทางรัฐผู้ยังอ่อนอยู่ ก็ต้องไปเป็นลําดับพุทธิสร้างวาระมีแก่ก้ามาแล้วก็ไปทางรัดเลยเพราะคาสอนแต่ละวระบาดมันเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นภูมสมบัติเป็นนิพพานสมบัติอยู่ในตัวแล้วเช่นสอนให้ไมีศีลอย่างนี้เหมือนกันศีเลนะสุขติยันติผู้จะมีสุขก็พระศีล ชีเลยนะโพคสัมปทาผู้จะมีโภ้ค้มบัตรในมรละสวรรค์และเนิ้พานก็เพราะศีลชีเลยนะนี่ผู้ติงยันติผู้จะมีจะถึงพระนิ้พานก็เพราะศีลรแต่สามารถชี้หลังไม่โซะเยเหตุนั้นจะเป็นผู้ยินดีในในศีลในพระพุทธพระธรรมพระสงค์แต่เขาไม่บังคับ สอนให้มีอิสระเองให้เห็นเองพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยพระทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วประสงค์ปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทําตามด้วยอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่าง ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมจะควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนเป็นเหตุที่ผู้ฟังจะตองตามให้เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนไปอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติตามน้อมเน้ประโยชน์โดยสมควรแก่ควรค ว, รความปฏิบัติโอวาทของพระพุทธเจ้าสามอย่างเมื่นจากทุจริตคือผู้พุทธชั่วด้วยกายวาจาใจ ประกอบสุดจริตคือพระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจกระทาใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคกวดหลงเป็นต้นพระพุทธช่วด้วยกายเรียกกายทุจริตพระพุทธช่วด้วยวาจาเรียกวจีทุจริตพระพุทธช่วด้วยใจเรียกวนโนทุจริตกายยทุจริตสามอยา่าง ฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรอพหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งวิจีทุจริตสี่อย่างพูดเท็จพูดส้อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อมโนทุจริตสามอย่างรอบอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนหนึ่งพยาบาทปองร่ายผู้อื่นหนึ่งเห็นผิดจากทำนองคลองทำหนึ่งศุจริตสามอย่างเพื่อชอบด้วยกายเรียกายสุจริตเพื่อชอบด้วยวาจาเรียกวิจีสุจริต พระพชอบโดยใจรจักมโนสุจริตสุดจริตสามอย่างนี่เป็นของควรพระพุทธสุจริตสามอย่างนั้นเป็นของควรเว้นกุศลละมูลสามอย่างร่ลงเง้าของกุศลและกุศ ล, ลมูลมีสามอย่างไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยายาบาดปองลายผู้อื่น เล่นชอบตามทำนองคลองทำคือทำดีได้ดีทำชัวช่วในชั่วเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นบาปก็เหมือนกันเมื่อบาปมีอยู่หนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วก็ดีบาปที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจะแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วพอเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียเราพรพุทธเจ้าสอนสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนไม่มีเลยเราเรียงก้างขององค์ท่านมาทําไมหลวงปู่จึงนั่งโหมอย่างนี้เพราะหลวงปู่เป็นคนป่วยหลวงปู่ก็าต้องโหนอย่างนี้ป่วยมานานแล้วออกจากโรงพยาบาลมา มีโรคหลายอย่างโรคถุงดำดีเป็นเนี้ยวโรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันโรคลกูลกหมากโตจระไม่ค่อยสะดวโกโรคไส้เลื่อนแล้วไช้เลื่อนถูกผ่าตัดแล้วแผลหายแล้ว ที่แรกก็จะมาทานไม่ผ่าไม่ตัดที่ใส่เลื่อนออกมากเอาคืนไม่ได้เลยใส่เน่าเราก็จะหลบไปลูกๆหลานเขาไม่มีวิธีเอาคืนให้ะก็เลยฉีดยา บรรเทาปวดพอเขาฉีดยาแล้วแล้วปู่ก็สลบเลยหน้ามืดพอรู้ตัวก็อยู่โรงพยาบาลเข้ า, เาไปแต่ปางไหนไม่ทราบพอรู้ตัวก็อยู่โรงพยาบาลคอนแก่นโรงพยาบาลคอนแก่นเขาครับพิจนาไปไปมาๆอยู่ แต่เราไม่รู้อะไรหรอกเขาเล่าให้เราฟังตายแบบไม่ฝันนอนหลับแบบไม่ฝันเลยเากาบอกว่านล ป, ปู่สมาธานไม่ผ่าไม่ตัดแล้วไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลด้วยเราจะทำวิธีไหนเขาก็พูดกันว่า ลูกปู่ไปปฏิญญากรบโรงพ ย, พ, ย พ, ยพยาบาลไหนก็ให้โรงพยาบาลนั้นปฏิบัติซะแต่ลูกปู่ไม่ได้ปฏิญญากับเราคุณหมอเชิดลูกปู่ปฏิญญากับคนหมอไหนก็อย่าให้คนหมอนั้นผ่าตัดแต่ละไม่ได้ปฏิญญากับข้าพระเจ้าเป็นหมอเชิดใครดันตะเสดิน อยู่ค้อนแกนไม่ในปริญญากับเราเราก็จะผ่าจะตัดกับท่านถ้าเราปล่อยให้ท่านตายเราก็เสียเกียรติเสียศักดิ์เสียสีของโรงพยาบาลนี้เราก็จะผ่าจะตัดคนเดียวเราใครจะว่าเราเป็นบาปเราก็จะรับเอาแล้วเขาก็ทาวัดนำวัดวแล้วเขาเลยผ่าเลยเขาบอกว่าใส่มันเน่าไปแล้วเพราะมันหลายนานทีมันเอาเข้ามาได้ ใช่เน่าไปสองฟุตนะเขาก็ตัดออกทั้งสองฟุตแต่แล้วผู่ไม่รู้อหนนี้อะไรเรากรรมอย่างจริงเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปปฏิญญากับท่านโรงพยาบาลไหนที่ปฏิญญากับท่านเขาอย่าทํำสิแล้วไม่ได้ปฏิญญากับท่านสักทีเขาพูดไปอย่างนี้ เขาก็มวยเอกเหมือนกันแต่เราไม่รู้อะไรเราแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วแผลเขาก็ทําดีเหมือนกันแผลมันได้แก้ไม่ได้แก้เลยและไม่คันเลยแห้งลงแห้งลงแล้วก็หายพอเรารู้ตัวมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ถาม ออันนี้ไม่ใช่วัดภูเราทำไมใครเอาเรามานี่หลวปู่อย่าเพิ่งถามให้มันแข็งแรงกว่านี้เช่ก่อนลูกจะเล่าให้ฟังหรอกสามสี่ห้าวันเขาจะเล่าให้ฟังเราก็เลยหมดหมดปัญหาที่นี่ ลูกปูไไป่ไม่ได้เสียสัตว์เพราะลูกตู่ปู่ยอมตายคาสัตว์เนี่ยลูกปู่ไม่ได้เสียสัตว์ไม่ได้เสียปฏิฐานตังไว้เมื่าเราจะผ่าจะตัดแล้วก็ถามลูกปู่ลูกปู่ก็ได้สติลืมๆบ้างว่างๆลูกปู่ก็สัน่นเียสะต สันชิสาวก็วางยาลงอยู่หลว่ก็เงียบเลยทุกในโลกกายกจิกทุกทุกทางกายเจตสิกทุกทุกทางกายทุกทางกายคืออะไรเกิดแก่เก็บตายเป็นทุก ประจํากายหิวข้าวแล้หายน้าหรือเป็นโรคเรียกว่ากายยากทุกหิวข้าวแล้หายน้าปวดอุจจาระปัสสาวะเรียกว่าทุกทางกายเจตสึกทุกทุกทางกายคือทุกโรคทุกปวดทุกหลงอันนี้ควรบรรเทาพระพุทธศาสนาไม่วาทมูลละทุกข ทุกพระวิวาทเป็นมูลกลัวแพ้กลัวชนะอันนี้ควรทําให้บรรเทาลงการพูดอย่างนั้นโตเถียงเกี่ยงงอนเกิดถ่อยเกิดความกันไม่วา่าโตเถียงกลัวแพ้กลัวชนะนี่เดียวพอไม่ว่าทำมูลแล้วทุกทุกพระวิวาทเป็นมูลทุกโรคทุกโกรธทุกหลง เป็นทุกข์ที่ควรแก้ทำไมเราจึงอาบน้ำเพราะร่างกายมันตกะกปกปฏิเสธไม่ได้ทำไมตาจึงรักษาโรคเพราะโรคมันมีจริงจึงต้องหน้าหาคุณหมอจะปฏิเสธไม่ได้ ทำไมเราจึงปฏิบัติเส้นดำเพราะกิเลสมันมีจริ่งกิงเหตุนั้นจึงปฏิบัติเส้นดำปฏิเสธไม่ได้ผู้ใจสูงทำสูงทึ่สร้างบุญบมีแก่ก้าวมาแล้วทาไมจึงยินดีในพระนรพนเพราะท่องเที่ยวในวัดตาสองสารเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์กิงเหตุแค่นั้นจึงยินดีในพระนิพาล ทำแก่และพุทธบาตของพุทธศาสนาสวนถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในตัวด้วยการเว้นจากอบายมุขมันเป็นมนุษย์สมบัติมันเป็นสวรรค์สมบัติมันเป็นพรมสมบัติมันเป็นนิพพานสมบัติอยู่ในตัวด้วยการล่วงละเมิดอบายมุกก็คือทําลายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในตัว ทำไมรัฐบาลท่านจึงทำพวกคุณทั้งหลายไปเล่นมันไม่มีประโยชน์มาเสียเข้าหลวงสักตาจพูดทางนั้นร อ, อกท่านมาได้เอาเงินเดือนของท่านมาเล่นท่านเอาเงินภาษีอากรเขาพวกเรามาจากรัฐบาลก็มีพวก หวยใต้ดินอะไรต่ออะไรทำแข่งขันกันต่างคนก็ต่างแข่งขันกันแข่งขันรัฐบาลรัฐบาลก็แข่งขันพวก น, นั้นอ่าทีนี้พวกเราไม่รู้อินเน่ก็รูกอีหนูวอินี่ก็ไปเล่นมันก็หมดเงินเราอะถ้าพวกเรามาเล่นท่านมันพวกใต้ดินเขาก็ไม่ทํามันขึ้นอยู่กับพวกเราอถูกไหมนั่นอย่าพวกเราหาบอะไรบ้างเราไม่ได้หาบได้ไหม ทีนี่ก็ไฟไม่บ้านไม่เมืองที่ดินมันยังมันเหลืออยู่ไม่เรียกไม่ผาไม่บัดไม่เบอร์ที่ดินไม่เหลือเนอะเหตุ น, นั้นพระบรมศาสลาจึงตัดลมต้นไฟตัดไฟต้นลมห้ามอบายามกุกทุกประเภทตกอยู่ในเขตแห่งทางชิบหายใครเป็นหุนเอก เขาพ่อเบรมัสสาวชนานั่นเองเป็นโูนเองาาทายอันไหนม่าอ้ไไม่ผิดเลยเพราะคนไม่มีกิเลสทายแต่พวกเรามีกิเลสทายเห็นจะเป็นเลขตัวนั้นเห็นจะเป็นเลขตัวนี้แล้วกูกูโกหกมึงมึงโกหกกูก็มีแต่เสียกับเสียขโมยต่อขโมยโกหกกันพระองค์ไหนเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์ ชู้เขารักษาสิ้นห้าไม่ได้เนอเออกินข้าวสุกเสียข้าวสารนุ่งห่มผ้าเหลืองเสียผ้าขาว <c oughs> จะบวดทีแล้วล้านปีก็ตามชู้เขารักษาสิ้นห้า่บ้านไม่ได้สิงที่ไม่เป็นธรรมเทศเราเป็นธรรมสิ่งไม่เป็นวินยัยเทศเราเป็นวินยัยตายไปไปเป็นปลาตบเพียนทอง อยู่ที่น้ามาเจรวบดีมันมีอยู่พระองค์หนึ่งชื่อพระกะบินตายไปเนี่ยไปตกนรกมหาจีนรกออกกากมหาจีนารกมามาเกิดเป็นปลาตะเพียนทองอยู่ที่หน้าําที่แม่น้ำมาเจระบดีสีเป็นสีทองแต่ปากนั่นเหม็นอ้าปากออกเหม็นทั่วพระนคร ที่นี่พระบรมศ า, ศาสดาก็ทราบเขาจะเอาไปถวายพระบรมราชาคนทั้งหลายเขเล่าเรือกันก็ไปดูปลาตัวนั้นเป็นทเทวแถวอยู่ที่แม่น้ำอจเจรบาดีเขายังอยู่ในนา้าอยู่ตามริมแม่นม้ะเป็นทิวแถวคนไปดูพระบรมศาสดาฉั้นยังหันยกลับไปพาพระภิกษุไปเราจะไปทําอัศจรรย์ให้เขาเห็นพระบรมศาสดา เราจะพาไปดูพิรูทั้งหลายพอคนนงียบสงบพ่อหรวงมศาสล า, ศาก็ถามอ่ระราเอา๋ยเธอมาจากไหนมาจากมหาวิจีนาลกพระเจ้าข้าเธอเป็นบุพกรรมอะไรเธอจึงเป็นอย่างนี้เธอชื่ออะไรชื่อพระกบินแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนเธอเป็นยังไงเธอจึงเป็นอย่างนี้เคยได้เป็นพระนักเทศ ตอนที่เทศถูกนั่นได้เป็นสีทองตอนที่เทศไม่ถูกนั่นเป็นปลาแล้วไปตกนรกพระเจ้าข้าออกจากนรกมาก็ามาเกิดเป็นปลาดต่เป็นทองอยู่ที่นี้ปลาของเธอเหม็นไปทั่วพระนครเพราะอะไรเพราะคำที่เทศไม่เป็นธรรม ก็เลยปากเหมินตอนที่เทศเป็นธรรมนั่นเป็นฉีทองเรือนอกนั่นก็เลยมาเป็นปลาอะไรอย่างนี้ที่ไม่ถูกสลับกันทั้งถูกบ้างเพีบบ้างทีนี้เธอออกจากนี่เธอจะไปไหนจะไปมหาวิจในรกตามเดิมพระเจ้าข่าว่าแล้วก็เอาหัวขวาดขั้นเรือ ขั้นของเรือน่ะเรือคงจะเป็นเรืออะไรไม่ทราบเรือพายหรือเรือมันมันมีขั้นเรืออยู่เป็นทิวแถวหัวฝาดสามสามทีก็เลยตายแล้วก็ไปลงมาหาวิจีนรนรกอีกนั่นนั่นไม่ใช่ของ่ายเทสูงมี่สูงห้าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นปลาตะเพียนทอง มีทั้งวัตถุนิทาเนี่ยมีพระวัญหัก อ, อีกด้วยมีปัญหาสอดเข้ามาว่ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้ไหมมีปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าหมดพวกเราเนี่ยหรือหมดใตรัทธิเนี่ยมนุษย์เรา เตรียมตัวยืน่นสมมติบนน้ำลายคุณนฟ้าดูสิกองทัพน้ำลายจะบนขึ้นฟ้าถึงไหมถ้าบานน้ำลายคุณนฟ้าไม่ถึงมันจะตกไปไหนมันก็มาหาหน้าของใครของมันใช่ไหม <c oughs> นี่ลมพัดมาตึงๆลมพัดมาตึงๆพวกเราทารั้งหลายเตรียมตัว กำฝุนโตลมดูดูพวกเราหมดนี่แหละจะโต้ลมไหมจะโต้ลมจะสู้ลมไหมคว่างโตลมมันก็พัดเข้าตาเราถูกไหมหมดพวกเราเนี่ลยอ้อจะ่คว่างปลาคว่นใส่เห็ดดานคว่างไกลมันไม่ถึงคว่างกล้นักมวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหม เหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าไม่มีท่านโพ่ใดจะทำลายพระพุทธศาสนาใดเลยใครทำผิดก็เป็นบาปแต่เฉพาะผู้ผิดเท่านั้นใครลงลุยหลุมฐานเพลิงก็ให้หลุมฐานเพลิงตัดเห็นเอาใช่ไหมผู้ไม่รวยจะไปเอาให้เขาล้อๆนะมันไห่เขามันก็ไม่ไหมเห่ไหม ที่เราพูดไล่ก็พูดไล่เผื่อว่าจะไมาให้อไม่ให้คนทําผิดว่าทําศาสนาเสื่อมมันไม่เสื่อมศาสนาจะเสื่อมไปไหนถ้าศาสนาเสื่อมแล้วพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็สร้างบารมีมาไม่ได้อืมพระพุทธเจ้าองค์หน้าสร้างบารมีมาเป็นต่อๆกันเป็นทีวแถวเลยพอบารมีเต็มแล้วก็โปลออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพึงฟ้ายเลยใครจะขีดขวางไว้ก็ไม่ได้ ทำทางทำดีไม่มีใครกีดขวางทำทำชั่วก็ไม่มีใครกีดขวางได้นอกจากใครของใครของมันจะเห็นเองจะเห็นโทษเองเหตุฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นสันทิษที่โกให้เห็นเองถือพระบรมศาตนาแล้วก็ไม่คมเหงเราเป็นเพียงสอนเป็นผู้ชี้บอกเท่านั้นง่วงนอนก็นอนเองกระหายน้าก็ดื่มเองก็ หิว อ, อาหารก็ทานเองเราตถาคตทําแทนไม่ได้เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทาได้เหตุนั้นเราจึงขับรถทำสัตมโตมคฆลูกาตโมทํำมีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้อนิยะสัตสีก็มีอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนทุกสมมติไตนโรธมักใครก็ทําลายไม่ได้ นรกก็ไม่มีใครทําลายได้ไม่ขาดรักขาดตอนของโลกสวรรค์ก็ไม่มีใครทําลายได้เทวโลกก็ไม่มีทาใครทําลายได้สวรรค์หกชั้นดาวดึงสายามาดุสิตนิมมานาตุตีพระนิ ม, มิตวะสวัตตีสี่นิพพมพิพภะหกชั้นก็ไม่มีใครทําลายได้ผมมติชัทชา พโมปโลหิตามหาพมมาปริตตาภาอปมานาภาอาพัตตาปริตตาสุภาอปมานะสุภาสุปกินทกาอสัญญาสตาเวหภัณลอาวหาอต ป, ปาสุตัสสาสุตัสีอากนิชกาและพรมอีกสีขั้นอาการสาญนตายัญจายัตนาพมวิญญาณัญจายัตนาพม อ่ากินจัญญายตนาผลมนิวัต ส, สัญญาณสัญญาญตนาผมและนีโรธธรรมาบัตอีกก็ไม่มีใครจะทำลายได้ท่พูดนะมีจริงอยู่ทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางเวรกลางคืนคือพระนิพพานไม่มีใครจะทำลายได้พระธรรมมีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทรรได้เหตุนั้นจึงจำแนกแจกจ่ายให้พวกเธอทั้งหลายเข้าใจ เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขกรดุนาความสงสารที่จะช่วยพ้นทุกมุทิตาความพรอยันดีที่ตอนทําดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความเิบัดเหลววิสัยแล้วกวางเฉยท่านั้นเหลอวิสัยที่จะสั่งจะสอนเอาแล้วกวางเฉยจะเกียรกันไม่เหมือนกัน พ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีมิตรดีสายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันถ้ากีดกันไม่ไหวก็อุเบกขาท่า น, นจะหากินทางอุเบกขาหน้าเดียวมันก็เป็นศาสนาพระพุทเจดมันก็กลายเป็นอุเบกขวางหรือท่า น, นก็ขวางไม่บ้างถ้าขวางไว้ไม่ไหวก็วางเฉยตามกรรมของสัตว์หนอหน่ะถูกไหม พระพุทธศาสนาบริบูลลรณ์แล้วใครประเทศเก่งทักย์เพียงไหนก็าตามก็เลียกมั่้างพระพุทธศาสนานั่นเองศัตรังสรรพยัญชนังเกวราปาริปุนังวันนี้ชุดทางภพมัทกิริยังประกาเศเสสิบริบูรณ์แล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะเหตุนั้นตามหาพระขวันตังอภิปูชาญาเมตตามหาขวันตังชีรสานามามันี้จึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโ ง, ง่ โคนเอกในพระพุทธศาสานาสอนไว้แล้วบอกไว้แล้วทางนั้นเป็นทางเสื่อมทางนี้เป็นทางเจริญก็บอกไว้แล้วใครไปทำก็เสื่อมจริงๆตามส่วนคนข้าของเหตุที่ทำน้อยนะมากนัตถิโลเกและหัวนามะความรับมันมีในโลกใครทำดีเราก็รู้จักเราอยู่ Blue ใครทำชั่วเราก็รู้จักเราอยู่ไม่มีใครจะรู้จักเท่าเราใครไห ม, มเราโกหกเราก็รู้จักหนูเราไม่โกหกเราก็รู้จักอยู่ถูกไหมสันที่ที่โกเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักอยู่เราไม่เลื่อมใสเราก็รู้จักอยู่ใช่ไหมไม่ต้องหาเสียงใช่ไหม ไม่ต้องหาพักหาเสียงมีอิสระแล้วทำไมคนจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหน่อยนะักก็เพราะความเห็นไม่อยู่ระดับเดียวกันกรรมผลของกรรมจำแนกสัตว์เป็นต่างๆกันดีเร็วต่างๆกันมีประจําโลกอยู่พระพุทธเจ้ามาแต่แพระองค์พระองค์ ก็มาเทศเอาได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนค้นโคหม้อไวหว้พระพุทธเจ้าองค์หลังอยู่ในตัวอันค้นโคข็นับเป็นลาล่า น, นอ้อเอาอันอันคน้นอันเขาโคก็นับเป็นอา ล, ลานถึงอย่างนั้นก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นพระพุทธเจ้าที่มาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสาเนี่ยมากกว่าร้อยโกดนะพระพุทธเจ้า อเ น, นกสะตะโกทยูมากกว่าร้อยโกดแต่กลับก็อสงไขยอสงไขกลับแล้วแต่ถ้กลับก้ากลับก็มีเพื่อเจ้าห้าพระองค์บ้างสี่พระองค์บ้างสามพระองค์ว่าถึงอย่างนั้นก็องางไขยอขาศงไขกับผู้เข้าสู่พระเนปานไปมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรสี่มหาสมุทรแมลว่าผู้เรามีบารามีแข็ก้ามาแล้ว พวกที่ยังาบาลามียังไม่แก่กล้าก็ท่องเที่ยวในวัฏสงสารสร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมัตวนเวียนกันอยู่นี้ซะก่อนมเมื่อบาลมีแก่กล้ามาแล้วก็เบื่อนายในวัฏสงสารก็ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกท่านเพือใดสงสัยอะไรก็ถามเจนี่จะเทศให้ถูกใจ คนส่วนมากมันก็ลําลบากพูดดังๆผู้จะถามคนหนึ่งก็มีนิสัยไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็มีนิสัยไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกันเช่นพระบรมศาสนาเห็นป่าใหญ่ๆเนี่ยถามพระภิกษุตอบก็ไม่ตรงกัน ปาใหญ่ๆนี่มีประโยชน์อะไรบ้างพระขารีบุตรตอบดูดูให้พระเิกษุผู้มีปัญญามาอยู่นี่จะดีพระเจ้าข่าส่วนพระษาดีบรเป็นผู้มีปัญญาโมกคลาตอบดูดูให้พระผู้มีฤทธิ์มาอยู่นี่จะดีพระเจ้าข่าให้พระกัจจายนะตอบดูดูให้พระเพกศุผู้อธิบายความย่อให้พิจารณามาอยู่นี่พระเจ้าข่า ถามพระมหากาตปะใช่ีหมให้พระผู้รักใคร่ถือทุปองคุณมาอยู่นี่พระเจ้าข้าผู้นิสัยชอบอยู่ป่ามาอยู่นี่พระเจ้าข้าเพราะผู้นั้นไม่ชอบนิสัยอยู่ใกลบ้านพูดเข้าข้างตัวทุกท่านถามเราเรูดูพระบรมศาสด า, า, า, า, าว่ายัางไง ให้พระธมาทั้งพระติเจ้ามาอยู่นี่มีพุทธบริษัททั้งเทวดาและมารผมทั้งหลายมาฟังเทศอยู่นี่จะดีมันถูกอยู่มันถูกคนละแง่ท่านว่าอย่างนั้นบรมศาสดา์อ๋อพวกเจ้านาก็ยินดีทางเก้าอี้ใช่ไหมพวกพ่อค้าพ่อขายก็ยังยินดีทางค้าทางขายใช่ไหมพวกพ่อนาก็ยินดีทำนาใช่ไหม พวกบวดก็ยินดีทางบวดก็ต่อไปทางเขาใครของมันใช่ไหมแต่มันถูกอยู่คนละทางไม่ผิดเห็นนั่นคนจริงมีนิสัยต่างๆกันแกเก็บตายไม่ลงธรมรมะเลย ธรรมาทของแก่เก็บตายคืออะไรคือนั้นหุ่งอยู่โดยรอบไม่มีเอวังนับวันแกวันเก็บวันตายนั้นหุ่งอยู่ร้อมรอโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีของป่วยของเน่าอยู่ในในลาไส้เนไงอืมกินของลําไส้ก็ไม่ลงธรรมาทไม่มีใครเข้าไปล่างให้อืมกินของมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ลงธรรมาทเหมือนกันใช่ไหมนะความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออ เกิดก็มีอยู่ทุกลม้า้ใจเขาก็ไม่ลงธรรมะไม่มีเอวังไม่ในเทศเอาตังใครเลยถูกไหมเราจะพิงาราตามเป็นจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเราอีกในโลกเนี่ยมันเป็นของทิพใครต้องการรัฐทิใดาศาสตร์สนาใดก็เลือกถือเอาได้ทั้งนั้นใช่ไหม ไม่มีใครบังคับใช่ไหมศาสนาแต่ละศาสนาก็ดีไปคนละอยา่างใช่ไหม hmm. แต่ว่าดีมากดีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้จะตัดหินเอาของใครของมันจะตัดหินให้กัน บ, บังคับกันตั้งกฎไว้เป็นกฎหมายมันก็ไม่ถูกใช่ไหะตั้งไม่อิสร ะ, มะเมื่อแรงวันก็มีอิสระทางโมดคูดมเมื่อแรงพึ่งก็มีอิสระทางเกษรดอกไม้ถูกไหม แม่แรงวันมันก็บอกว่ า, ป, าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันใช่ไหมแม่แรงเพิ่มมันก็ยืนยันอีกเหมือนกันใช่ไหมนั่นนี่โอ้นานาคิตตางนานาธรรมังทำไมไม่อยู่ระดับเดียวกันพุทธศาสนาสอนกว้างขวางมาก ผู้มีอายุยืนเพราะเหตุใดเพราะแต่ชาติก่อนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าจึงมีอายุยืนผู้ที่มีอายุสั้นก็ตรงกันข้ามผู้มีอายุยืนอยู่แต่ว่ามีโรคว่าเพราะแต่ชาติก่อนเคยเคี่ยนเคยตีสัตว์มากเคยกลุ่มหวี่งแต่เรามีอายุยืนอยู่ แต่ว่ามีโลกมากเคยได้เขียนตีสักดิ์นะเคยไปยิงนกยิงนกเขาเอากล้องลูกกล้องเป่าไปยิงถูกหัวใจมันได้นกเขาตัวเดียวแต่อายุเฉพาะปีถอดลูกกล้องเป่าออกมันตกลงมาก็กะก๊กกะกอ ก, กพอจบแล้ก็ถอดลูกกล้องเป่าออกมันก็บอกว่า ก็ ก, ก็ใจขาดตายเลยนกเขาได้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแต่อายุสิบห้าปีมึงเถอะกูงอยอยู่ต้นไม้กูจับอยู่มึงมึงมารอบยิงกูกูจะจองเวรมึงมึงเถอกูโคตรจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่ามันก็ ก, ก, ก, ก็ตายเลยแล้วก็ไม่อยากกินมันเลยแต่พอมาถึงสองพันห้าร้อย สามสิบมันก็ระเบิดขึ้นแน่โรคหัวใจตีบเกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันนั่นนั่นเหตุั้นเราจึงเชื่อ ก, ก ร, รมและผลของกรรมมากเนาะนี่เราเป็นโรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วอยู่นี่แล้วก็เชื่อก ร, รมและผลของกรรมอีกเราอายุสิบสามสิบสี่ปีไปเรี่องโคเจ้าของ แล้วกระ บ, บือของเจ้าของวิดาบานดาแต่งให้ไปธรรมดาคนบ้านนอกก็ไปเลี้ยงโคแล้วก็หากบได้หากบได้ก็ผูกเอวผูกเอวไปบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แล้วก็เลี้ยงโคไปพอถึงเวลาจะกินอาหารเพราะห่อข้าวพันเอวไปแล้วเนี่ยไม่มีถุงพลาสติกเหมือนทุกวันนี่ ต้องหอ่อใส่ใบตองแล้วก็ต้องเอาพันเอวใช่เนไหมเอาผ้ายีโปโซมากันเดียว่อยแล้วก็ทุบหัวกบปิ้งอพอปิ้งแล้วซุกแล้วก็เอาพุงมันไปกินก่อนเพื่อนละ่ะชอบพุงมันเพราะกบฤดูแล้งมันไม่เหมือนมันไม่มีไส้เรือนพุงมันกบฤดูแล้งชอบตับมันเอกแต่มันก็ พอมาถึง2005 30ก็เป็นโรคทุงน้ำดีเป็นนิ้วอยู่ที่ตับเนี่ยชั้นยาเอาชั้นยาเยอแล้วมนนนเยอะแล้วมานี่แล้วคอยพอทุเราอยู่นี่เวนอันนั้นนะเวนกบมาทีนี่ก็เคยได้ตอนโคไปจับเขาช่วยตัวหนึ่งโคะ เราก็ไม่ได้ตอนเองช่วยจับช่วยตัวเดียวเท่านั้นแต่ไปพูดเยอยมันเออไอ้ชีโรมึงอยเาร้อเนะถ้าไม่ตอนมึงเดี๋ยวมึงไปชนเขามึงมึงไปชนเขาแล้วก็มึงก็ขายแม่ออกมึงสนถ้าไม่ตอนมึงมึงสนไปเที่ยวชนเขาดุมากตอนมึงมึงอยาขี้ร้องเน้อ ถือเป็นของสนุกอายุยี่สิบปีเนี่ย ล, ลูกกันทะของมันก่อนเขาเข า, ามาเหน็บลูกกันทะมาเนี่ยนะผูกคดหมูผูกคดหมูใส่แคบอโกดคอช่วยเขาเราถือเป็นของสนุกไอช้ชยโลข้าแปลงลูกแปงสมให้มึงมาให้มึงผอมคัทท่าผอมแล้วมันขายไม่ออกแล้วก็พูดเป็นของสนุกพอ พอเขาเอาริมมันก็นอนคดหมูอยู่ทีนี้ผูกสี่ขาติดกันคดหมูลูกอันท้าของมันก็เบอ้อเล่อออกเนี่เขาก็หนีบเนี่ยนีเราก็เกมตัวจะพูดร่มันเล่นเขาก็เอาริมมาใส่เนี่ยกระจุกจกุ๊กุอย่างนี้ให้มันอ่อนทีนี้เอาไปมามันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอมันอ่อนลงทีนี้พอมันอ่อนลงเขาคลำไปคลำมาอ่อนลงแล้วก็ <S <S เขาเอาค้อนมาตีทีนี้เพลงนี่ก็ฮู้ฮขี่สัดออกทีนี้เพงนี่เอกเพงเรียงไปเลียงมาอ่อนแล้วก็หยุดกันมล้วก็ขี่ของมันก็สัดออกทีแล้วก็หัวระมัดเขาแปรงโลแปรงโฉีให้มึมงออกทีนี้ก็พอมาถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเราทําแต่สองพัน เราแต่ทําทําแต่ 2,500 2,400 เกต15เอ่ยพอถึง yeah, Mont right. 2 5 2 2ที่นี่ใช้เลื่อนก็ออกนี่ที่นี่ใช้เลื่อนก็ออกนี่นมาแปลงลูกแปลงโฉมให้เราที่นี่ทีนี่กระบือตัวหนึ่งที่นี่ พูดอันนี้พูดเพื่อให้ลูกให้หลานเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่ได้พูดเพื่อตลกขานองอะไรหรอกออือืควายตัวหนึ่งเวลาเราไปไถนาเวลานั้นอายุเราสิบเจ็ดสิบแปดปีเวลามันกินอยู่ดีๆมันก็กินหญ้ากินอะไรอยู่ดีๆเวลาเราเอามาเทียมไถทีมันก็ทำท่าจัดไถอุจาระที่นี่ มันก็ทําท่าจะกปัสาวะทีเนี่เออมึงแต่ ก, ก่อนมึงก็กินหญ้าอยู่ดีๆกูเอามาเทียมไถ่มึงทําไมทําอย่างนี้ทุกวันแอ่ไอตัวนี้ตัวอื่นเขายังไม่เป็นะถ้าอย่างนั้นเกิดไปซิมันเสียวเวลาเมันก็ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเดินไปทีนีออ่แต่ก่อนมันไม่ขี้ทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเรามาเ ล, ลือกได้ทีหลัง แล้วลึกได้ที่เราบวชเนี่ยเออเรานึกถึงขนหลังมันคงจะเบื่อมันคงจะระอาไถพอมาเห็นมันขี้มันก็ออกเลยแต่เรามานึกเห็นทีหลังหรอกแต่เวลาเราเป็นเด็กเรายังไม่นึกถึงมันได้นึกถึงเห็นเวลาบวชเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เป็นโรคท้องผูกประจาเลยปัจจุบัก็ไม่ค่อยจะออกเพราะเป็นลูกมากโต อ, อ่เป็นโรคท้องผูกฉันยาบ่อยนัน ก็เวรที่มาให้ควายตัวนั่นขี้นะนี่ส่วนที่ดีก็เห็นในกับชาติเนะส่วนที่ชั่วก็เห็นในกับชาติที้รัชการที่หกไปดักนกรัชการที่หกมีพลเมืองชุบชีราชเศษนายก พลเมืองมีกี่ล้านพลเมืองประเทศไทยยืนขึ้นตอบสิบสี่ล้านเศษครับเท่านั้นชั้นปฐมหนึง่งเนี่ยพวกเรียนชั้นปฐมหนึง่งอันนี้ได้เพียงชั้นปฐมสองเท่านั้นนะบวกโอ้สมัยนั้นเพียงชั้นปฐมสองเท่านั้นราชการที่หกนะนถ้าปฐมสามก็จบกันมัธยมหนึ่งต้องไปเรียนในชั้นในในมณฑลในจังหวัดที่มีเป็นมณฑลด้วยอจบเพียงเท่านั้น ไม่เหมือนทุกวันนี้มีผสมสี่ผสมห้าแต่ว่าวิชาสูงสมัยนั้นวิชาไม่ได้ต่ำทีนี้ไปจุดป่าไปจุดทุกวันนี้ไม่ได้ละติดคุกละ่ะแต่ก่อนป่ามันมีมากไปจุดดักนกวันไหนไม่ไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนในสมัยนั้นมันปิดโรงเรียนในวันวันพระ พระ อ, อาศัยโรงธรรมสล า, าไม่พอเพื่อเปิดโอกาสให้พระพหวมรักษาศีลวันพระไปจุดป่าธรรมดาจุดป่ามันก็มดตัวแดงมแมลงตัวเล็กมันก็ตายเหมือนกันแต่มันไม่ไปในในโคกในนาสามวันสามคืนก็ไม่มี กันน้ำนาของผู้ใดแต่ทุกวันนี่ไปก็ติดคุกหลายประชุดเพราะคนมันมากแล้ว14ล้านเศษเดี๋ยวนี่60เกือบ60ล้านไปุดด้วยหรูทุกวันนี่ก็ติดคุกละอยู่มาอยู่มาเท่นี่ 2,500 2,400 9.6 ไฟไหม้กดติเรียบวุดเลย ไฟจะของมีแต่ผ้าคาตัวก็นึกเข็นเวรเราที่เราไปจุดป่านั่นเองหลวงปู่มหาบวัวหังวะระอยู่บ้านห้อยทรายเนี่ยเ อ, อ่อกรรมของสัตว์นี่ต่างกัน น, นั้นว่าแล้วนะนั่นที่ส่วนทางดีเคยทำไว้ในกอบอุจระหลวงปู่มั่นใช่กอบอุจระหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นป่วยเราไปอยู่กับหลวงปู่มั่น4ีพรรษา พันศาที่แรกท่านไม่ยังมาทันไม่ไมไมทันป่วยสองพันส่ร้อยแปดสิบเก้ายังไม่ทันป่วยเก้าสิบป่วยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองก็ป่วยก็ชิดลมพานเก้าสิบสองเก้าสิบสามก็ถวายเพลิงเรารับอาสาเก็บอุจระองค์ท่านงานอื่นก็มีเองเหมือนกันพระเวลาองค์ท่านถ่ายพิษปกติ แล้วก็กอบอุจจาระของท่านเพราะท่านป่วยกอบใส่พุงกีการที่กอบใส่พุ่งกีไม่ใช่วิธีเราทําท่านอาจารยพหาบัวบอกคู่บาอาจารย์ชั้นนี้แล้วไม่ควรเอาจอบเอาเสียมไม่ควรเอาอันอื่นเอามือกอบเอาเนอะครับครับพอใจแล้ว เอามืก อ, อบใส่พุงเกี๊พุงเกีก็เอาใบตองกล้วยรองซะก่อนแล้วเอาขีดเท่าใส่นั่นก็กอบใส่พุงเกีแล้วก็ล่างมือตัดเต็บให้ดีไม่มีถุงมือสมัยนั้นถุงมือไม่มีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าไม่มีถุงมือเพราะอยู่ป่าอยู่วัดป่าไม่มีถุงมือพอล่างแล้วไม่มีแต่คนจะแห่ไม่อดแต่คนจะแห่ล่างแห่ถือกระโวยล่างให้ ก็ตัดเล็บให้ดีตัดเล็บให้ดีตัดเท็บให้ดี น, นะครับอนามันกาล่างแค้อนามันกาดล่างแค่ก่อนถ้าเรามาหาอุวัยทําอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ให้ทําำนะท่านไม่ให้เห็ทำํำต้องทําหน้าเฉยอย่างนี้เราก็ได้แล้วกุคุกเข่า อ, อีกเชื้ด้วยหลวงปู่มั่นคนละเอียดมากแล้วก็คําอยู่ตั้งทําอยู่นั่นสามปีจนท่านสิ้นลมปาน พระโมคคณาสารีบุตรจะมีฤทธเดชสักเพียงใดก็ตามก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาสีรน์พระสารีบุตรจะมีปัญญาเหนือสงทั้งหลายก็ตามแต่ก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาสีรน์พระศีบุตจะมีลาบมากสักเพียงใดก็ไม่เสี่ยวพระบรมสารีรัตน์เราจะเอามาทีเสมอกันไม่ได้นะ ฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงที่ต้องประสงค์เสื่องเดียววิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สตาธิตั้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญาลอบรู่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงทำเป็นพระคือทําเรื่องกำลังห้าอย่างก็รวมอยู่ในอันเดียวสินห้าก็เหมือนกันทําไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจสินแปดก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันศินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกัน อธิศิญชิกขาชิกขาคือศิญยิ่งอธิกิตะชิกขาชิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาศิกขาชิกขาคือปัญญายิ่งก็รวมพลกันในปัจจุบันนั่นอันเดียวกันกันกบหน้ากับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วก็พูดอักษรยอ่อแต่อี่แทเขาเห็นตาเห็นแก้มเห็นจมูกเหมือนกันแต่พูดอักษรยอ่อะ มาที่นีได้อบายอะไรบ้างคู่ค่าเปลี่ยนขึ้นเขาไหมฮะอย่างอีกข้อหนึ่งเราคนเดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นคณะภาคไม่ได้ เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอไม่ได้เป็นตำบลไม่ได้เป็นหมู่บ้านไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้แล้วก็เป็นเจ้าอาวาดไม่ได้ แล้วก็เป็นกระทรวงไม่ได้ก็เป็นทหารไม่ได้ก็เป็นตำรวจไม่ได้นัำเพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเดินทางไกลพึ่งผู้ขับรถขับเรือแต่ก็ไม่สนิทหวังพึ่งตนจึงจะไม่จนมุม ง, ง่ายหวังพึ่งผู้อื่นก็สมประสงบ้างไม่สมประสงบ้างพูดมาเป็นลำดับเราคนเดียวให้หมอบให้หมด ใช้รกระทะเนี่ยรปลูกก็ไม่เอานะเนี่ยอยู่คนเดียวอหรอทีนี้รัชการแี่หกเนี่ยข้าวที่เรากินชาวนาเป็นผู้ปลูกโรงสีเป็นผู้สีพ่อค้าเป็นผู้ค้าขายคนเราจำต้องได้อาศัยกันและกันดังนี้อันนี้ก็ควรเป็นคติอย่าทะเลาะกันดีกว่า ถูกไหมสามัคคีกันไปทางดีก็ดีสามัคคีกันไปทางชั่วก็ไปตกเหวหมดใช่ไหม <c oughs> คนดีก็มาจากคนชั่วใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ให้พรนะ เดี๋ยวเดียทำชัดสูงยังไม่อีกทำชั้นสูงยังไม่อี ก, อกเห็นอ น, นิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแลว้วเพราะโลกเป็นเต็มไปด้วยอ น, นิจจังเห็นอ น, นิจจังชัดในปัจจุบันอ น, นิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นทุกชัดในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัย คำสอนแต่ละบทระบาทตรงต่อพระเนพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นผู้บารมีอ่อนอยู่ก็น้อมไปตามอ่อนของตนผู้บารมีแก่กล้าแล้วก็น้อมไปกล้าอกันเทศกันเดียวกันคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งสําเร็จพระอรหันต์คนหนึ่งก็ไปสวรรค์คนหนึ่งก็ปลอยพรมมาโลกคนหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ก็มีกันเดียวกันหนกันเทศอ่พะพน้อมไปต่างกัน เช่นพระพาหิยะอย่างนี้เทศให้เก้าฟังด้วยเออเวลานี้เราเดินเ้นทบาทอยู่ไม่กวรพระบระมศาสารพระพาหิยะเป็นเป็นข่าราวาสพอพระ อ, อ, อ, องค์มองเห็นโอ้โยมคนนี้จะทำเร็จพระอรหนันต์ในวันนี้ท่านรู้แล้วพระ อ, องค์รู้แล้วแต่ท่านไม่พูด เทศให้เก้าฟังด้วยเรากําลังบินทบาทอยู่ไม่ควรเดีวบางทีพระองค์สิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเก้าสิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับพอแล้วนะแตกฉานเป็นพระอรหันต์คําว่าเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่เห็นคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้ว อุปท า, านทั้งปวงก็ไม่มีเอ่ก็เลยพ้นจากเกล็ดทั้งปวงไปนั่นพระบารมีแก่กล้ามาแล้วแต่ข้างพระเจ้ากัตตาปะคนเราบารมีแก่กล้ามาแล้วทุกคนจึงในมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่อยู่ระดับเดียวกันจะประมาทกันไม่ได้ดอกบัวสีเราก็มีอยู่ในข้างของพุทธการก็มีข้างนี่ก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิคือท่านพุ่พ่นไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิ เหมือนพระอนาคามีตูมต่ําลงมาก่อนนั้นก็สักกทาคามีตูมต่ําลงมาก่อนนั้นก็พระโสดาบันเสมอน้ําก็คือพุทธชนคนหนาะถือผีบ้างก็ถือถือพระพุทธประทับประสงบ้างแล้วก็เล่นเลขเล่นผาบ้างใช่ไหมอา้าวภูมิพระโสดาบันไม่ได้เล่นเลขเล่ น, ลนผาเนอถ้าเล่นเลขเล่ น, ลนผาอยู่ไม่ใช่พระโสดาบันเนอะ พระจะบวชราดภรษาก็ตามถ้าเล่นเลนเล่นผาอยู่ก็ไม่ใช่พระธวดาบรเพราะเป็นทางเิีหายอะทีนี่เขาก็มาให้พูดมากเนอะน่าดูดูนี่ยะถาวารีวาบุราบริปเรนติชาขลังเหลืเมวเยตุชินัง เปตางังลูประกาปิเอชิตังปฏิตังูมห้งเกิเมวัตมิจตูสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนาโสยะามเนโยติเรโสยะธานภีโยยวาชนะสสปโรโควินาถตุาเทพวัตวนทรายโยทุกขีตีคายโกอภิวาตนสีริสานนิจจอุตตาปยญญโนุชาธาลุทมาวัตันติอายุวโนสุขังฝะลังผู้สร้างวัดไดมีแก่ก้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้บรรยายมากเขาภาวนา อดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รูที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รูที่กําลังเป็นอยู่เป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นชอบกับลมหายใจเข้าออกเขารวมพลชินสมาธิปัญญาลงในนั้นผู้สร้างบาลามีแก่กล้ามาเนี่ยเขาก็จะข้ามทะเลหลวงไปสักผู้บา ร, รมียังอ่อนก็จําเป็นก็จะอาคาขอจะอาค า, ากะกาคิกีก็โก้ไปผู้สร้างบาลมีแก่กล้ามาเนี่ย รัดเลยไปเครื่องบินเลยไม่ต้องไปทางรถไฟผู้บังมีแก่กล้ามาแล้วพวกพนักเรียนก็มาถามทำไมนั่นอายุประมาณสี่สิบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ มหาไม่ธรรมยุทธกับมหานิกายอันไหนดีเออนายดำนายแดงใครดีนายดำทำดีนายแดงก็ดีนายดำทำดีนายดำก็ดีนายแดงทำดีนายแดงก็ดีนายดำทำให้ดีนายดำก็ไม่ดีนายแดงทำให้ดีความดีความงามไม่ขึ้นอยู่กับนายดำนายแดงได้ยืนยันว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธเป็นสาวกของท่านไม่ยืนยันว่าสายนั้นสายนี่เป็นสาวกของท่านหรอก ฆราวาสก็เป็นได้พระโสดาบันไม่ว่าแต่พระชกทาคามีฆราวาสก็เป็นได้อ น, นาคามีฆราวาสก็เป็นได้อนาหารฆราวาสก็เป็นได้ไม่ได้ยืนยันว่าแต่ผ้าเหลืองจะเป็นเราพูดอย่างนี้เลยเออพูดอย่างนี้ก็พูดตามเป็นธรรมไม่เข้าข้างตัวผมชอบมาก เพร่อนนั้นพ่นักเรียนแล้วก็ตอบไปตามตรงเลยเราไม่ตอบข้าข้างตัวคนหมู่มากรากไปทางดีมันก็ดีนาคไปทางชั่วมันก็ไปตกเหวหมดความดีไม่ขึ้นอยู่กับคนมากคนน้อยขึ้นอยู่กับหัวใจแต่ละคนใช่หรือไม่ ทำดีก็ไปฉลองดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปฉลองชั่วอยู่ที่ใจไม่ไปไม่ได้ไปฉลองอยู่ที่เรนฝ้าอากาศใจมั้งเนี่ยพูดเพื่อให้เข้าใจาง่ายๆนะทำดีก็ไปต่ออายุของดีอยู่ที่ใจทำบุญก็ไปต่ออายุบุญอยู่ที่ใจก็ไปต่ออายุความดีอยู่ที่ใจก็ไปต่ออายุสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ใจก็ไปต่ออายุสิ่งที่ไม่เป็นโทษอยู่ที่ใจก็มีความหมายอันเดียวกัน ทำไม่ดีก็ไปต่อความไม่ดีอยู่ที่ใจทาบาปก็ไปต่อบาปอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปต่อความชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปต่อที่รินฝ่าอ า, ากาศเลยนี่พูดเพื่อให้ปฏิบัติง่ายนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจเพราะใจเป็นหัวหน้าคนตายมันไม่มีใจอยู่ที่นํานั้นไปที่อื่นแล้วเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั่น บางท่านก็บอกว่าวิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอามโนวิญญาณตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามกันผู้ตอบก็ไม่ควรตอบกันบางท่านก็ถามว่าบาปมีไหมบุญมีไหมผู้ถามเอาก้อนบาปก้อนบุญไปถามผู้ตอบก็เอาก้อนบาปก้อนบุญไปตอบก็ไม่ควรถามกันถูกไหมตายแล้วเกิดไหมบางท่านกับผู้ถามก็เอาก้อนเกิดก้อนตายไปถามผู้ตอบก็ก้อนเกิดก้อนตายไปตอบก็ไม่ควรตอบถามกันใช่ไหม ดังๆแล้วผู้หูหนวกไม่ได้ยินฮะระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์หรือเขาไม่ได้ทำบาปมา ก, มากขณะในคิดที่เขาจะตายนั่นเรียกว่า อ, อ, อาชันกรรมกรรมเมื่อชวนเจียนจะตายในขณะนั้นถ้าเขานึกไปทางบนอยู่ เขาก็เลยตายในทางนั้นเขาก็ต้องไปบุญถ้านึกอเขานึกไปทางบาปเขาตายในเวลานั้นเขาก็ต้องไปบาปเสียก่อนถ้าหมดบาปแล้วเขาจึงจะมาหาบุญทีนี้ทําไมเขาจึงตายอย่างนั้ น, นเขาเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมาแล้วก็จะเล่านิทานอีกเสียก่อนทีนี้นายพระเชษฐ์ตะวันมหาวิหารพระเชษฐตะวันมหาวิหารเป็นวัดป่า เชตตะวันเป็นชื่อแห่งป่าไม้ไกลจากบ้านห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่อกห้าร้อยขาธนูก็เท่ากับว่ายี่สิบห้าเส้นไกลจากบ้านยี่สิบห้าเส้นแล้วก็มียาติโยมไปรักษาศีลในวันนั้นเป็นวันพระรักษาศีลอยู่ด้วยกันแล้วก็พอตอนรวนจัสว่าคงจะเป็นรายราวตีหนึ่งตีสอง เขามารักเอาคนไปฆ่าที่ริมวัดเอาเชือกรัดคอเอาผ้ารัดคอกักอุ้มไปคนที่นอนอยู่ด้วยกันนั้นไม่ได้ยินเลยไม่รู้ว่าเขาเอาไปเวลาไหนเขาฆ่าแลว้วเขาเอาทิ้งไว้ริมวัดนะ่ะเขาก็เลยห น, นีคนไปเห็นก็ตื่นขึ้นมากับพากันร้องตะโกนเออเหตุไม่ส ม, มเหตุไม่สมผลเหตุไม่สมผล เไม่สมผลเมื่อคืนนี่ก็รักษาศีลอยู่ด้วยกันทำไมจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็พระบรมศ า, าสตราก็อยู่ในที่นี่ด้วยอยู่ในวัดนี่ด้วยทำไมจึงไม่คุ้มได้ไม่คุ้มลูกคุ้มหลานทำไมจึงปล่อยให้เขามาฆ่าลูกฆ่าหลานในวัดได้อันนี้ก็เหตุไม่สมผลจริงๆทำให้เราวิจารณ์มากเขาก็บ่นกันอยู่ ทีนี้พระบระมาศาจล า, าก็ทราบเหมือนกันพระบระมาศาสลาก็หาอบายไปหาใกล้ๆเขาทีนี่พวะคณพูดอะไรกันก็พูดเรื่องนั้นเลยพระองค์เอ๋ยเหตุไม่สมผลมันก็สมผลจริงๆลูกหลานเอยชาติน้านหนึ่งชาตินี่หนึ่งชาติด้านหนึ่งชาตินี่นหนึ่ ง, นนงพวกนี้กูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูมาได้แสนชาตินี่แล้วเหตุสมผลจริงๆว่าอย่างนั้น นั่นนั่นเหตุฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เรารู้จักว่าเวนสนองเวนภัยสนองภัยกันมาหลายชาติหลายพวกนี่ชะรอยเขาจะไปชนกันแตกแต่แตชาติก่อนโดยไม่มีเจตนาก็อาจเป็นได้นะแค่นพวกตายในเครื่องบินก็เหมือนกันแช่นในการเทีงทองอ่ะถ้าหากว่าพระสมานพระพุทธเจ้าของเรายังอยู่ พวกนี้ไม่ได้ตายด้วยกันแต่ข้างนี้ข้างน่าหนึ่งข้างนี้นหนึ่งข้างล่างหนึ่งข้างนี้นหนึ่ ง, ง, นนงได้ตายพาร้อมกันมาอย่างนี้แล้วก็คงจะเทศอย่างนั้นเราก็สันนิฐานได้เพียงแค่นั้น